ต่อไปจนถึงเป็นอราหารได้ชนีทั้งหมดนี่ก็เป็นการณียักเมตตาสูตรสูตรถัดไปคือขันธสูตรในปริเรียกว่าขันธปริศแต่ว่าในพระไตปิฎกจริงๆเนี่ยท่านไม่เรียกว่าขันธสูตรปรากฏอยู่ในภระตปิฎกสองที่ ที่ทำที่อ้างอิงไว้แล้วนะฮะที่หนึ่งน้ำปรากฏอยู่ในพินใหม่พิดกเล่มเจ็ดและอีกที่หนึ่งปรากฏอยู่ในพระไปิดกเล่มที่ยี่สิเอ็ดในพระไรพิดงเล่มที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยท่านเรียกว่าอาชีสูตรอาชีสูตรอาชีเป็นชื่อขององู <c oughs> แต่ในผลิตกลับมาเรียกว่าขันที่เรียกว่าขันในหมายได้ว่า เป็นปริตรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาขันเท่าตัวให้ดูรอบๆไปรักษาลูกรักษาหนาความแตกต่างระหว่างของการแสดงสูตรของสูตรนี้หรือการใช้พลังแผลเมตตาสองสูตรนี้ในแง่ของการแผ่แบบเจโจงเนี่ยสูตรแรกนั้นแผ่ปราบโอปปฏิกะ สูตรหลังนั้นแผลปรับสัด ร, รา้รรายสัดร้ายก็หมายถึงพวกงูเี้ยเกี้ยวอัวแล้วก็สัด ร, ร้ายอื่นด้วยแต่ว่าบังเอิญเรื่องที่มันเกิดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงูเรื่องราวที่ทําให้เกิดสูตรนี้ขึ้น <c oughs> เล่าไว้ในพระคัมภีร์ว่าผมผมอ่านให้ฟังก็ได้ไม่บังเอิญไม่ยาวอ่า ในพระสูตรที่คือวัดไอทิสูตรเนี่ยนะ <c oughs> ในพระตริฎกเล่มที่สิบเอ็ดข้อหกสิบเจ็ดจะได้เห็นว่ามีที่มาแล้วก็ปรากฏเป็นเนื้อความจริงๆนะพระไตรปิฎกไม่ใช่มาเชื่อถือกันภายหลังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนานากวิกทิศเสฐีกรุงสาวัตีก็แลสมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายในกรุงสาวัตถีลําดับนั้นแหละภิกษุหลายรูปเข้าไปฟ้าพระผู้มีพระภาคครั้นแล้วครั้นเข้าไปถึงแล้วถวายพระผู้มีถวายบังพิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณท <c oughs> ี่ควรสูงข้างหนึ่งภิกษุเหล่านั้นนั่งในที่สมควรสูงข้างหนึ่งแล้วกราบภูนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่ง ถูกงูกัดทํากาละแล้วในกรุงสาวัตถีพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพญางูทั้งสี่เป็นแน่เพราะถ้าภิกษุนั้นพึงเจริญเมตตาถึงตระกูลพญางูทั้งสี่อันนี้เวลาเขแปลบางแห่งแปลว่านางบางแห่งแปลว่างูนะะมันตัตระกูลงูเขาก็เลยแปลมาให้มันฟัง ลึกลับก็บแปล ว, ว่างูความจริงก็คือนาคนี่เขาเรียกเป็นยอดงูนะดันั้นเราก็แผ่ไปหางูตระกูลโดยหมายเอาเอาพวกนาคเป็นหลักแล้วก็ก็เลยมาถึงงูเราอีกตระกูลงูทั้งสี่ที่ฉันหวา <c oughs> นเดียในี้เขาก็มีบอกอประมาณต่อได้เต็มว่า ไม่ได้แพ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพญางูทั้งสี่เป็นแน่เพราะถ้าภิกษุนั้นปรุงแผ่เมตตาถึงตระกูลพญางูทั้งสี่ไซสภิกษุนั้นก็ไม่พึงถูกพญางูกัดจายเลยตระกูลพญางูทั้งสี่นั้นคืออะไรบ้างคือตระกูลพญางูชื่อวิรูปกะตระกูลพญางูชื่อเอราปตะตระกูลพญางูชื่อฉัพยาปุตตะ ตะกูลพญายงูชื่อกันหักโคตม ะ, ะกันหัโคตมะกะัพิสูจทั้งหลายพิสูจนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพญายงูทั้งสี่นี้เป็นแน่ถ้าพิสูจนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพญายงูทั้งสี่นี้ไซพิสูจนั้นก็ไม่พึงถูกงูกัดตายเลยพิสูุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกษุแผ่เมตตาจิต ไปถึงตระกูลพยางูทั้งสี่นี้เพื่อคุ้มตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนนี้เป็นเนื้อความต้นสุดเอที่ที่แก่ให้ในเป็นแต่บทแผลนะเป็นบทแผลที่เขามาเป็นลูกปรลิดที่ท่านบอกว่าเราอนุญาตตามอนุญาตเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้ได้ไปปรากฏในวินยัยโดยพระสุโมตายนูงูกัดตายท่านบอกว่าอนุญาตเนี่ยเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ย ละเองเจะไปท่องกระถงกระถาอะไรเนี้ยมันดูยังไงก็ไม่รู้นะตรงนี้พ่อใช้เป็นรูปอ ร, ริษาไปท่องกระถาเปล่าเพื่อพูดเนี่ยหมายปั่นปูจะไม่สอดคล้องกับธรรมะนี่พูดถึงว่าแต่เดิมนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็มาทรงอนุญาตบางอย่างไม่ยอมเช่นว่าพระไปสวรไปสแสดงธรรมะในลักษณะของการอขับตล่อมเนี่ยเหมือลเวที่ไม่อนุญาตนะอย่างส่วนด ตรวจเาขาเรียกว่าอะไรล่ะทิ่ที่ตรวจกันเป็นแบบสำเนียงเพราะเพราะแบบแต่รูปรูปบรรล่ลองอา่าไม่ใช่สารพัญญนย์ยาตรวจมหาชาตินะมหาชาติแล้วแหลแหลเราเรียกว่าแผลการแสดงทำในลักษณะของการขับกล่อมด้วยอาการเหมือนเหมือนคนร้องเพลงเนี่ยนะฮะ ไม่ได้อนุ ญ, ญาตตรงนี้ไม่นุญญาตแต่แต่ล่าตรวจคาถาพอได้พอมีที่อนุ ญ, ญาตออกมาเป็นปปรูปผลิตแต่แต่แหลนี่ก็บางคนเขาก็ชาวบ้านทั่วไปก็ฟังเป็นคล้ายๆเหมือนเพลงพระธรรมนำเพลงเพ เ, เปลงนำรงารรมะอย่านี้นะเขาก็ฟังนะอย่างว่าอย่างหลายๆคนก็ฟังแล้วก็ก็รู้สึกว่าฟังและทาฟังแบบนี้และทำมากไม่เข้า นะแต่มันก็กลายเป็นตำเรียมเ ป, ประเพณีที่ใช้กันมาจนเดี๋ยวนี้จนกลายตั้งเป็นที่ที่ยอมรับกันไปแต่ก็ฟังดูก็เหมือนการร้องเพลงเหมือนกั น, เ, น, น, กนเห็นนักร้องลูกทุ่งที่มันโฆษณาทางทีวีอมันก็ร้องเล่นลูกคอเหมือนเหมือนแหลกอันนี้ว่าตามที่ปรากฏในพระวินยัยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอนุญาตให้สวดทัพ ป, ประลิขที่ท่านจะบอกต่อไปนี้ เพื่อป้องกันงูเอ้ออก็ น, นาทดลองเหนกันน่าทดลองเหือนกันแต่เราเราพอรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าแต่ข้อที่จริงมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็วิสูจน์ไม่ได้พวกหมองูเนี่ยเขาก็มีอาถากันนะหมอควานช้างเขามีอาถาคนขึ้นไปตีพึ่งในที่ยังมีอาถาเลยผมยังได้มาเลยอนะแต่ก็ไม่ได้ใช้ เวลาเราไปยังพึ่งไปทําลังกาบนลังกาบ้านนี้ผมเคยเล่าช่างไม่มีใครกล้าขึ้นละคนเราต้องขึ้นเีงโผพึ่งต่อยมันโดนต่อยไม่ได้จริงๆเราก็ขึ้นไปเข้าวสวรนคเจาะเอาคอนตีพึ่งก็อยู่้ะก็ูขึ้นกันเต็มหมดเลยน่ากลัวมากแต่ผมก็ไม่กลัวเราจับเคล็ดว่าล้ากลวแล้วร่างกายมันสร้างสารยัวพึ่งในต่อย เราก็แผลเมตตาให้มันพูดกับมันในใจเออบ้านฉันนะั่นไม่ใช่บ้านแกแตออ่ที่ฉันให้แกอยู่เนะี่ยเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ช่างที่มาผมให้มาปลูกบ้านด้วยเนี่ยมันเวลาผมเผลอเนี่ยมันเอาไฟมาลนนอะหลนแล้วมันก็ไม่ยอมไปผมบอกห้าห้า ม, ม, มทําเด็ดขาดนะถ้าทำแล้วก็จะไม่ให้มาทำบ้านมันก็เลยไม่กลา้าเลยก็มันตอนหลังมันโดนพุ่นต่อย เลมันไม่มายุ่งใกล้ๆทางนี้เราก็เลยต้องรังดินนี่ ย, ยที่มันขึ้น ม, มันเต็มมือเลยมันไม่ใช่พึ่งเลี้ยงเราก็ไม่ใช่นั ก, กเล่นพึ่งนะแต่เราจําเป็นต้องขึ้นไปเออไม่ต่อยแม้แต่ตัวเดียวมึงบางทีวิ่งมาชนตาวิ่งกุกกะโกะอยู่ในแว่นนี่นะแต่ไม่ต่อยไปไอ้ไอห้หมวกช่างก่อสต้างกูวิ่งเขา้าไปพลุเปียนหมวกเปลี่ยนจนรู้สึกยโ ย, ย่เย้ยยที่เส้นผมเออมันก็ไม่ก่อยน่ารักมากเราก็เลยว่า รักมันเพิ่มขึ้นนะรักเพิ่มขึ้นแต่นี่ก็เหมือนกันแต่ไอ้ที่มันอยู่ตามย่อกระาะเออก็พอได้ผลนะแต่เราก็อย่าไปทดลองเอาว่าเมื่อมันจำเป็นขึ้นมาเนี่ยเข้าตาจดลองแฝงเมตตาสู้ก็อาจจะพอได้ผลนะท่านหญิงถึงไล่ออกเสือได้ทั้งหลังไปเลยสามวันหายแนบนะใช้เมตตาช่วย ไม่ต้องไปเที่ยวหนึ่งเก้าหนึ่ง้าคา่าให้บาปไม่สบายใจเราคนมีสินก็กลับก็เป็นอันว่าพระที่จะเอาไปสวดอย่างเป็นปรลิษตอย่างที่ผมว่ามาก็สวดอย่างเป็นปรลิษตพระที่มีเมตตาด้วยก็แผ่เมตตาด้วย อย่างเราเนี่ยถ้าเรามีเมตตาแล้วก็จะใช้รูปปรลิศใช้ใจ แ, แต่เมตตาเมตตาจริงๆเนี่ยผมเองเนะเชื่อในรูปเมตตาแท้ๆมากกว่าไม่เคยจำประลิ์นี้ได้เลยเวลาเราแฝงเมตตาเนี่ยนะแต่ถ้าจำได้ก็ดีจะได้ได้กาลังบางอ ง, องด้านและที่จริงนะไม่ใช่แต่เฉพาะงูนะอย่างที่ผมบอกแล้วจัด้ายเหล่าอื่นเนี่ยใช้ในทางปรลิ์ ในทางเคล็ดทางปริษก็ใช้ได้หมดน่าจะเอาไปใช้แต่เดี๋ยวนี้เราอาจจะเล่นโลภยอดหมายถึงว่าแผ่เมตตาแล้วลวกยอดหมดเลยหมูม้ากาไกา่พูดผีปีศาจเราไม่ได้แยกประแหนกใช้นะแผรหมดก็เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์ของอันตรายใดเราก็แผ่เจาะไปที่นั่นแล้วถ้าจำปริศได้ล้าก็ใช้ปริศเนะจาะลงไปให้มันโงกับ ในยะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อเป็นการเพิ่มความกลังแล้วก็จะได้พิสูจน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ด้วยเนื้อความในนี้มีข้อหน้าสังเกตเพิ่มเติมในในบทอัตตนานเนี่ยนะพระปริ์อันใด ย, ย่อมยังพิดร้ายแห่งงูทั้งหลายให้ทิหายไป ดุจาพิเศษอันประกอบด้วยมนติสิ่ตัวนี้ที่พมว่าพิเศกก็คือว่าการใช้ปรลิบเนี่ยโดยพุทธประสงค์เนี่ยท่านไม่ได้ให้ใช้ในรูปยานะแต่เดิมอ่ะคือไม่ใช่เป็นใช้เป็นการใช้แก้มา่ถูกงูกัดแล้วแต่ใช้เป็นเครื่องกันกันไม่ให้มันกัดแต่เมื่อถูกกัดแล้วเนี่ยโบราณ ลองไปดูตำราขงังโบราณเนี่ยที่เกี่ยวกับคาถาใช้คาถารักษาโรคมีมีหลายอยา่างบางคนก็พุทธังรักษาพุทธพุทธังเป็นยาทำมังรักษาสังคังหายนะพุทธังเป็นยาทำมังเป็นหมอทั้งคังหายอนะหถือเป็นแค่ไห น, นแล้วก็อตรงนี้เข้าใจประเป็นมนุ์พวกหมอรักษาพวกผิดตัดร้ายเนี่ยต้องจิงพิดอื่นกันด้วยนะ ก็จะประกอบพวกสมุนไพรด้วยแล้วก็ท่องคาถาก็แบบเดิมนะ่ะแบบโบราณมีคาถาท่องแล้วก็มีสมุนไพรอะไรสมุนไพรประกอบเดี๋ยวก็ถ้าสมาธิดีจริงๆก็เรียกปลีดพิษออกมาออกมาจากตัวได้โผล่ขึ้นมามาลีบไอ้มนเบ็ดมนคาถาไอ้ของอะไรอยู่ในตัวให้พุ่งออกมาเยอย่างงี้ยังไงจะต้องเชื่อลนะ้วเพราะว่าพอเรียดพิษออกมาแล้วเนี่ยพราะมันไม่ตายทําอย่างกระหนังจีนเนี่ย แต่ค น, นัีคนจีกก็เขาาคงทำได้เดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นพูดถึงอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เห็นกันตาอันนี้ไม่ใช่พุทธพจนะะ์อันหนึ่งปริสอันใด ย, ย่อมห้ามกันอันตรายอันเศษของสัตว์ทั้งสิ้น โดยประการทั้งปวงในอาณาเขตในที่ทั้งหมดในการทุกเมื่อเราทั้งหลายจงสวดป ร, ริษตนะอันนี้ก็เป็นการบอกว่าปรลิษตนี้นะใช้สำหรับป้องกันสัตว์ ร, ร้ายทั้งปวงเลยครับไม่ใช่เฉพาะหูแต่ พระบุตรเจ้าทรงสแสดงเน้นที่งูเพราะว่าพระถูกงูกัดคือสมัยก่อนเนี่ยอถ้าพระเข้าไปอยู่ในที่ป่าลึกเนี่ยมันก็จะมีเสือมีช้างอะไรพวกนี้นะฮะถ้าอยู่ป่าไม่ลึกมากกัดกัดพวกเสือพวกอะไรไม่มีก็จะมีพวกงูเนี่ยงูเขาก็อยู่ป่าเต้ยๆก็อยู่ก็ก็ยังไปวัดป่าบ้านตานยังมีเดี๋ยวนี้จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะงู กรงานสมัยผมไปสนทนากับท่านเมื่อปีสองพันน้อยี่สิบท่านเราให้ฟังงูตั้งที่อื่นหมดงูจงอางเวลาตะนั่งสนทนาธทำกันมันก็เลื้อยเข้ามาฟังเลยเลื้อยเข้ามากลางบงเลยท้าท่านกินนะท่านก็ไม่รู้สึกแผลก็ไปที่ก็บอกไอ้ดือยอย่ามายุ่งมาไอ้เดือก็เลยตั้งยื่ไอ้เดือออกไปมานโกงเรื่องอะไรมั้งแต่ไม่เคยการตลางเลยแต่ที่ เ อ, อสำนักของท่านพุทธทาสก็มีหงูเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่เคยไปงูก็งูอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คงจะยังมีอยู่มั้งเห็นพวกที่ไปมาเล่าบาอกก็ไม่รู้ทำอะไรยังไงนะทํายังไงต็หมันก็ก็พระนั่นก็แฝงเมตตาท่ า, ทานน้่แฝงเมตตาเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้แต่อย่างเราก็สยองเหมือนกั น, นะคระับ <c oughs> มันทั้งมันทั้งอันตรายแล้วก็มันทั้งหน้า น่ากลัวเกิดนั่งๆมาแล้โวโผปลวกเข้ามาในกุฏินี่ก็ไม่รู้จะทำไงทังถ้าคนกลัวนะแต่ว่าถ้าเรามีเมตตาจิต ด, ดีจริงเนี่ยเราก็สามารถจะทำได้คือบางทีเราบอกไม่เขเข้ามายุ่งเลยเอาเวลานี้เราท้ำอยาเข้ามากวนเลยนะขอให้ไปเจอที่อื่นองเงี้ยพวกบางทีก็พวกตุกแกเรา ไม่พูดถึงที่พอเราเข้าไปเนี่ยเขาอยู่กัอยู่นะสุกแก่กลักเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีไอไอที่บ้านผมเมื่อก่อนมีตัวในห้องน้ำโงงเสียงเกี้ยวเกียวทุกวันอะเวลาเราเปิดเข้าไปดูครับครับครับตัวมันก็อยู่ตรงในห้องเก็บของเราก็เดินเข้าเดินออกก็ไม่ได้คิดลังเกียจอะไก็แปรเมตตาเนี่ยหนักหนักเข้าก็ไม่รู้หายไปไหนนะ่เงียบไปเลย แต่ที่อื่นถ้าใครคิดว่าอยู่ก็มันได้ได้มันอยู่ถ้ามันมาเกาะความรำคาก็บอกคนปฏิบัติหลายคนใช้ได้ผลกันมากเรื่องแผ่เมตตาแล้วก็ป้องกันหรือว่าการําคาญก็ป้องกันการทำลายการการก่อความรามคาญจากสัตว์ใช้ได้ผลกันเยอะมากเกิดแต่ว่ามากกว่าอย่างอื่นอื่นเลยทีเดียว เราดูบทที่พระุทธเจ้าสอนถ้าสวดเป็นบาลีก็กลายเป็นปริสเที่างเต็มร้อยถ้าใส่ความเข้าใจในทางเนื้อหาลงไปในคําที่เราพูดด้วยหรือแบ่งกันว่าสวดเป็นปริตอันหนึ่งแล้วก็แผ่เป็นเมตตาลน้นๆ้นอีกอันหนึ่งก็จะมาเข้ากูนะ่กันสันตระสว่าความเป็นมิตรของเรา รงมีกับพยายามนาคทั้งหลายสกุลวิรูปักด้วยคือเรื่องนี้เราก็ไม่ยังไม่ทราบนะว่าตะกุลเนี่ยคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีตสกุลต่างะเราคิดดูยีราบไม่ใช่ยีลาฟไปไดโนเสาร์อ่ะไม่รู้มีกี่ประเภทดูรู้จะลืมไปแล้วหลายประเภทช้างก็มีหลายหลายประเภทหลายะกุลหลายชนิดงูก็มีหลายจำพวก นี่จะไปไล่กับงูเขียวงูตรงอางงูโอไล่ไปหมดเดยอะก็เอาสกุลงูผู้ใหญ่คือะกุลของหน้ามาเปลี่ยนเครื่องกำหนดว่างูใดที่อยู่ในะกุลนี้ก็นั่นแหละทั้งหมดแผ้ทั้งหมดเอยถึงหัวหน้าเ็าด้วยจะได้มีที่หมายใหญ่ที่หมายสำคัญก็ตัวนี้เป็นเพจนะว่าเวลาที่ เราจะไปที่ไหนเนี่ยเราจะแผลเนี่ยต้องหาหัวหน้าเจอะแผลถึงหัวหน้าหัวหน้าทั้งที่เป็นคนหัวหน้าทั้งที่อาจจะตายไปแล้วแต่ว่าก็ยังดูแลอย่างไรอยู่อย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหัวหน้าแล้วก็แผลลงมาหาบริวารอื่นๆตามลาดับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่มนุษย์เนี่ยบางทีแผลไปถึงหัวหน้าแล้วก็ผลมีแผลมาถึงลูกน้องโดยปริยายเลยทีเดียวคือขอความคุ้มครองจากหัวหน้า ให้ช่วยดูแลแต่เห็นใครว่าเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนงูคนกลัวงูเดี๋ยวนี้งูกลัวคนเใครเล่ามาข่าวดวและพวกมาจากอีสานนะมาทำงานก่อสร้างเวลาไปาไปทำเปลือกอยู่ไแถว ใ, ใกล้สวนใกล้ทุ่งใกล้อะไรเงี้ยนะ งูห่าโโลมาเพรเห็ุเห็นคนก่อตร้างวิ่งแน่เหนือยเรียกว่าโอ้ยหางสบัดไม่ถูกทิศแหละมันคันรู้ท่าไหนมึงไม่รู้นะเมื่อที่เขาไปจับมันตามต้องรุ่ะกลายเป็นกลัวไปได้เพราะว่าจับเอามากินแล้วเขาบอกว่างูเห่าเดี๋ยวนี้มีงูเลี้ยงงูเลี้ยงกินไม่อร่อยต้องเป็นงูเรียว่างูง หูธรรมชาตหมูบ้านหูบ้านหูนากินอร่อยเนื้อดีและดูไม่อยากมันเป็น ห, หนังเป็นมันแบบเนี่ยเปล็ดเป็นมันแบบนี่หมูบ้านไอ้ที่มากรีดท้องให้คนกิ น, ด, ก น, ก น, น, กนดีกินอะไรกันเนี่ยกินเลือดกินอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นงูลเลี้ยงผมไม่ได้รู้เองพวกไอ้เขารู้เขเล่าเห็นป่ะ ก, ก็เป็นอย่างอาผมก็ไม่รู้ใครรู้จะไปบอกหน่อยว่าอย่างที่เขาแข่ง ปรากงูกันที่มาเลเซียแล้วเป็นงูไม่ใช่งูต่างคนต่างออกมานะต้องเป็นงูขัดง่ายเราก็ไม่ทราบรายเดียวเขาไปเอางูที่ไหนมาอย่างไงแต่ก็ไม่ใช่ไ ม, ไม่น่าจะเป็นเรื่องเลยเพราะว่าพวกชาวอินเดียเขาเก่งเรื่องงูลและปราบงูไปอินเดียแล้วเห็นพวกนี้ก็มีคาถาในชาดกก็เราก็มีคาถาคาถาปรากงูใครรู้หรือมีสมัครพราพัวลงองขอคาถามาลองสวดดูที ทองคาถาปรางูเพื่อจะเป็นความรู้ได้บ้าง<ม>ว่าเออไอหมนขลังนี่มันอาจจะมีพอเทียบกับป ร, ริศได้แต่คาถาปรางูนี่จะไม่ได้เกี่ยวกับกุณฑำรรอ่ะฮะใ น, ใ น, นสามประเทศนี้ทีเรียมันคือเมืองที่คนอย่ได้โดยโดยพระเทั้งเมืองเลยเหรอเหรอ ต<ำบ> อ, อตา<ำ>บลหมู่บ้านหมู่บ้า น, <ำบ>นแล้วก็ก็<ำบ>อยู่กันกินนอนแบบแบบอะไรหมู่บ้านหมู่บ้านเต่าของเราก็มีที่ที่ต่<ว>ตางจังหวัดเนี่ยนะแล้วไม่มีหมูบ่บ้านอะไรอย่ังอื่นนี่พ อ, อเข้ามาแล้วทุกคนทํำอะไรไม่ได้หรอกเขาใหญ่มากแตคนก็น่ากลัวเลยด้วยถ้เกิดมูมูตัดไปแล้วแต่คนนั้นก็จะไปไหวมาจับหมู่บ้านอ จะหายเลยนะแไม่ใช่หายทั้งหมดแต่เพิไม่ไม่หายทั้งหมดแต่ตายน้อยหายเป็นส่วนมากอ๋อกรร่วมกันอย่างเมตตาเกิดถ้าว่าเาเิ่าง้ครเรารเือเราคงจไม่มาคือคือว่ารู้เมตตาเราไม่กลัวเขาไม่ทำให้เขากลัวนะ แต่ว่าถ้าเรากลัวเข า, เ อ, าอย่างพวกวางอยู่กระเสืออะงมันก็โดนเป๊ะงานจนได้คือแล้วมันมีกรณีที่เราพูดถึง้คุณบรญลอยอายุแกเท่ากับผมเต๊ะเลยอยู่ที่ขบวนราชด่า น, นี้ที่เป็นข่าวดังหลายีก่อนเกิดมาราคาเป็นเกร็ดงูจาได้นะแกระลึกชาติได้ชาติก่อนแกเกิดเป็นงูมา และงูทุกตัวเนี่ยเป็นเพื่อนกับแกได้หมดแล้วแกไม่กลัวงูก็ไม่กลัวแกเข้ากันได้สนิทไม่ว่างูหน้าไหนนะนี่น่าจะส่งแกไปเป็นตัวแทนแข่งที่มาเลเซียและที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าใครถูกงูกัดมาเนี่ยกระเป๋าพวกตัวหายเลยแปลกเราไม่มีมีมีไอ้พลังอะไรเราแกยังมีชีวิตอยู่มีข่าวมาว่าทาง สาธานสุกไปว่าแกว่าไปตั้งตัวเป็นหมอศักษาอะไรอะไรนี่นะเป็นข่าวเมื่อสักห้าปีมาแล้วสี่ปีหกปีมาแล้วเป็นคนหน้าตาเปลือยปากแกแบบแบบเหมือนงูบ้า่เคยเกิดถึงมองปากแล้วรู้สึกม่นเป็นงูอะไรกันสีขากขเป็นเหมเลนก็พูดกันไปว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่มันเป็นจริงๆอ่ะแค่เราเลึกชาติได้เล่าเรื่องเป็นสิ่งที่ใครเสียงไม่ได้มีการไปทำวิจัยกันมาเมื่อหลายปีก่อน เดีนี้ก็เป็นเป็นเรื่องคือคนที่เคยเกิดมาในกติใดเนี่ยไอ้ไอ้ตั้งบรรพามันมีนะความรู้สึกเข้าใจได้ความรักความคุ้นเคยมันมีอยู่เมตตามก็เกิดง่ายเพราะนั้นฝรังบางคนถึงมารักคนไทยคนไทยบางคนึงไปรักฝรังอะไรเงี้ยนะไปอยู่กันได้ก็าจจะเคยเกิดเป็นพวกนั้นพวกนี้มา จะให้ดูนความที่เขาแปลว่าเป็นมิตรเนี่ยหมายความว่าความเมตตาเขาแปลอย่างคไงว่าเมตตานะว่าความเมตตาของเราหรือความรักของเราจงมีกับพยานาทั้งหลายสกุลนี้เถิดก็คือกับพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตแผ่ความปรารถนาดีแผ่ความจริงใจ อ, อํานุโยยพรความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจให้กับ นาสกุลนั้นสกุลนี้คือจะพูดออกมาจากความรู้สึกก็วางเงี้นะแต่ยังถ้าความรู้สึกมันระบายได้หลายอย่างแต่ภาษาพูดเนี่ยก็อาจจะพูดเป็นยังไงก็ได้คือถ้าลําพังว่าถ้าเราพูดด้วยดีแสดงความเป็นมิตรแสดงความรักมันก็ยังพอมีผลนะว่าเจนเราแสดงความชื่นชมไปสักคนเนี่ยนะนะเอคือตรงนี้เราชื่นชอบนิยมชมชื่อไหนก็ยังมีผลเลยกับ ถ้าเราไปพูดตำหนิเขามันก็ไม่มีผลถ้าเเป็นสัตวเราอื่นเราแสดงความเป็นมิตรเมตตาให้เนี่ยก็จะมีผลมากไม่เพาะพวกสัตร้ายออันนี้นะครับประเด็นในข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการบอกรักถ้าพูดอย่างง่ายๆนะบอกรักบอกรักเนี่ยทุกข้อทุกสกุลเนี่ยต่ว่าขอความเป็นมิตรของเราจงมีกับ งนะูสกุลนั้นสกุลนี้มันย่กระทั่งถึงสัตว์เหล่าอื่นแถมไปด้วยสัตว์สีส่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์มากขท้าเนี่ยใส่ลงไปด้วยถ้าเราไปอยู่ในดินแดนที่มีเสือเยอะเราก็เอาเสือเป็นประทานเอาสัตว์อื่นเป็นอกู้รับเมตาผสมลมของเราเนี่ยก็จะกระทั่งถึงสัตว์มากขท้านะฮะ ออันนี้เรียกว่าเป็นคําบอกรักเป็นคําแจกเมตตาแจกความรักนี่เป็นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับและในประเด็นที่ว่าสัตว์ไม่อสัตว์สองเท้าอย่าเบียดเบียนเราสัตว์สเท้าอย่าเบียดเบียนเราสัตว์มากเท้าอย่าเบียดเบียนเราตรงนี้เป็นคําขออภัยเป็นการแผ่การขอเพื่อขออภัยคือแผ่ขอโบนะัสแผ่เอา มันถึงที่ที่เราพูดถึงเรื่องการแต่เมตตาถึงมีให้หรือไม่เอามามันคือเมตตาทั้งนั้นแหละที่เราเรียกว่าขออภัยเนี่ยนี่มีความหมายอย่างประสาบรีคือขอความไม่มีภัยคือห้ามว่าอย่าทำอันตรายขอว่าอย่าทำอันตรายตั้งแต่ข้อความว่าสัตวสองเท้าอย่าเบียดเบียนสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเราเป็นต้นนี่นะครับสัตวสองเท้าสี่เท้ามากเท้าอย่าเบียดเบียนเราตรงนี้น่ะขอด้วยเมตตาจิต ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกว่าเราให้อะไรคนด้วยเมตตาจริงก็ได้แล้วขอความเป็นมิตรแต่เออขอความเป็นมิตรนะอย่าได้ทําอะไรกันเลยนะอันนี้อย่าได้เบียดเบียนกันเลยนะต่างคนต่างอยู่นะเหมือนอย่างบางคนที่เขาเอ่าไปซื้อบ้านแล้วก็ปเกิดไปเจอบ้านวีสิงห์เนี่ยนะคือแอแค่ว่าคนทังประเทศเนี่ยครประเภทซื้อหมู่บ้านทงเทศเนี่ยมาคุยกับผมหลายคนนะแล้วก็เจอบ้านวีสิงห์ พัฒนาต่างๆกันเล่าแล้วก็มีกเคือคือก็บางคนเขาก็บอกว่าเออตางคนต่างอยู่นะเนี่ยนะเราก็จะไม่ทําอะไรให้เดือดร้อนจะทําทบุญก็มามาทำด้วยกันนะเวลาสายบาตนำบาตก็เงียบอยู่ไอ้ทีเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยขายบ้านเพราะว่าผีมารกวนแต่พอคนนี้มารู้ว่าผีมารบกวนก็เขาพอรู้วิธีมันออกมาจาับวุ้นใหญ่แล้วเนี่ย ก็ว่าเออผีเขาเหมือนคนแหละเราจะไปเราไม่กลัวเขาไม่เกลียดเขาสักอย่างนะมันเหมือนงูนี้ว่ะเขาก็เห็นเราไม่ใ้แปลกไม่อยากเขาแต่ยิ่งเรามาอยู่แล้วก็อ่าให้บุญให้บุญสอนให้ความรักให้ความจริงใจไม่เห็นเขาเป็นคนอื่นคือไอ้คนเราเนี่ยพอไปอยู่บ้าน ม, ามีทุกแกเขาจะไล่แต่พุทธใช่ไหมล่ะพอไปเจอผีขึ้นนึกว่จะไล่แต่พึทธหนูมากรกว่ากากว่ามาไปจะไล่แต่พุทธคือไอ้มันก็ไอ้นี้ผมไม่ได้แปลว่าจะต้องให้มันอย <c oughs> <c oughs> ู่นะ <c oughs> ก็ทํายังไงให้มันเหมาะสมก็ว่าดไปเถอะไอ้บางอย่างเขาอยู่ได้ก็ให้อยู่เถอะไอ้ไอ้อย่างท้ายสวนผมเนี่ยวันนั้นไอ้เด็กบอกกำพายเรือไปไม่กล้าเข้าเพราะว่าไอ้คนหามาบอกจะเข้ามานะงูเหา่างูเห่านะเด็กมาถามหมออาจารย์ทวอาจารย์มีหัวด้วยบอกเออมีเนี่ยเท่าแขนเนี่ยบอกงั้นไม่ไปอะ่ะเฮยมันไม่เศร้าไปเล่นแต่นะแนเนี่ยเพ่าตแขนเท่าเนี่ยไอ้ขวดเครื่องดื่ม เกลือแร่โรเไปลอล์ดำมีดำมิดมีเลยก็แล้วกันง่เห่าเออมันก็ดีอย่างช่วยทำให้ไม่เจียวจาวกระเด็กพวกนี้หมากหนักขอบคุณงูนี้อยู่พอยังแค่อยู่พอยังประโยชน์ได้ยังประโยชน์ต้องคันอะไรได้นะ่ะ เราก็มองต้องการเข้ามาใกล้ๆบ้ า, บานลอดไปถึงบ้านแล้วก็ไม่ได้นึกว่าเป็นะอาตมมงคล น, น ะ, แ, ะ, นน แ, ะแล้วก็แอบมองมันนะก็แอบเมตตาแล้ว็มันปองสังเวชมั น, นว่าเออดูดีเราก็มีสิทธิ์ที่ไปเกิดไปตะโกนแต่มันไปนตรงสังเวชเป็นน้ำกระป๋านตั้งมั่งก็ยิ่งทำให้เราเกิดความสงสารเขาเนะมตตาก็คือเอเขาไม่เหมือนเราเนี่ยถ้าเป็นคนก็จะให้เกินมาอยู่บบ้านเนาะ ที่เป็นประกวดได้อ่ะหรือให้ขึ้นเรามายอมขึ้นแนละ้กวกลัวเราจะเป็นฤาษีตีเอียในใ น, ในเชิงาการตบอะอยังไม่ไว้วางใจเราเลยไม่เขาก็อยู่ก็เป็นสุขด้วยแล้าก็ต้องอยู่อย่างเขาอยู่อย่นี้นคำว่าอย่าได้เบียดเบียนกันเลยซึ่งถ้าเราพูดแบบขอความโกรนาเขาก็ได้เรื่องที่พูดเอออยู่บังการีแล้วก็เป็นฝ่ายที่ต้องบอกเขาว่าเราไม่ทําอะไรเขาด้วยเราอย่าเบียดเบียนกันเลยนะ ต่างคนต่างอยู่นะมีอะไรร่วมเกินกันเราก็ขอโห่ีแหวนไปกันด้วยเวลาเราไปตามที่แปลกๆเนี่ยตามฝ่าตามเข า, าไปอินเดียต้องไปจอดยิงกระตายกันตามสภาพแปลกใช่ไหมละแกเกิดไปอยงเนี่ยเดี๋ยว ร, รถทัวจอดละทั้งนั้นแหละครับทังโยมหญิงโยนชายปลาแยแยกกันไปคนละสีนะ ไม่ได้รู้ว่าใครเป็นใครอะก็มันทำไงได้อะนะไปเข้าส้วงเขานะเข้าส้วงนี้ดีกว่าก็เราก็ไม่รู้ว่ที่ไหนเราก็ต้องแผ่เมตตาเดี๋ยวมันจะไม่ดีเราแล้วมัอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราผิดมารยาทในตัวเราได้สบายใจจากนั้นนะครับเป็นการให้ผ่อนอีกโดดเด็นแนละตรงที่ที่มีข้อความว่า จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิดโทษลามกไรๆยามาถึงแก่สัตว์เหล่านั้นตรงนี้คือให้พรแต่ในนี้เราพูดประเด็ น, นสั้นๆเป็นคำพูดคุนๆไปหน่อยแต่ว่าเวลาเราทำเมตตาพอถึงประเด็นตรงนี้เนี่ยเราเป็นฝ่ายให้ความปรารถนาดีเนี่ยนะเวลาแต่เมตตาตอนนั้นเราจะให้อะไรไม่ได้แต่ว่า พอเราลุกมาและดันการดําเนินชีวิตเนี่ยอย่างน้อยก็จะสอดคล้องกับเจตนารงที่เราบอกกันเข้าว่าว่าขอให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ไอ้ไอ้ไอร่องรอยอันตรายอร่องรอยความเดืดร้อนที่พอจะให้เราเห็นว่าเราควรจะส่งความปรารถนาดีและให้การคุ้มครองเขาไวอย่างไรเราต้องนึกในใจได้ว่าถ้าในมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราให้การคุ้มครองเขาได้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรา มีความหมายขึ้นนะแล้วมันทําให้เมตตาเราเนี่ยเกิดพลังขึ้นด้วยถ้าเราเนึกเอาไเราจะไปช่วยอะไรก็ได้แค่นี้เราก็จะอาตัวไม่รอจะเมตตามเข้ามาเกิดแล้วมันไม่ไม่เป็การเพิ่มระดับธรรมะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนจะเป็นพระองค์หนึ่งเป็นผู้มีคุณหนึ่งความดีเนี่ยเปนของมันคือเนื้อแท้คว่ามเป็นธรรทุกคนเนี่ยสามารถจะให้การคุ้มครองคนได้ทุกคนแหละตามกันแต่ว่าระดับไหนระดับไหน ลงไปนะนี่แล้วก็บางคนถึงระดับสูงล้วก็อาจจะให้ได้ให้การกุ้มครองนี่นะเราก็พยายามนิงตอนนี้นะผมตกเยอะใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ลบน้ำลำคูอย่างพวกอยู่น่แหลมีความสุขมากน้ำใสสะหารโลงนะ่นะเราก็ทำสะพานโดดลงไปไว่ายเราคนเดียวเงียบนะแล้วก็เวลาเราเห็นปลามันมารวมตัวกันพวกปลา เล็กๆปลาน้อยปลาใหญ่บางคนมีเอ้ยถ้าเป็นไอ้พวกหาปลามันจ้องจับกำล่งจะฆ่าไดา้เดียวเราเห็นแล้วก็แผ่เมตตาให้มันเออเราไป ห, ห้ามคนอื่นก็ไม่ก็ามาล่าไม่ได้ต้องกรองตาะนะแล้วนะเราก็ขอแผ่เมตตาให้การคุ้มครองบอกว่าเออที่เหลือคนอื่นอย่าไปกินนะกินเหลือค่าเราก็เอาไอ้บางทีก็เป็นไอ้เศษขนมปังเศษไอ้ไอ้จมูกข้าวบังอะไรบ้างทีนี้นะร่างช่วยา่างชารเราก็กเรียกในหะ้มากิน โปรยๆแต่พอเ ร, เราโปรยไปไงล้องหลบมนิดนึงดูเดี๋ยวมันมามาหุบกันใหญ่ก็เป็นการแผ่ไมตาก็เป็นความสุขกับธรรมะที่เราสามารถจะทำได้ตามคติวิสัยง่ายๆอย่างเนี้ยครับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแล้วว่าเศษอาหารรังช่วยทังชามเนี่ยเราลาดลงไปในดินเนี่ยเป็นอุปกรณ์แผ่ไมตาละให้ใจเดือมันคิดนะว่าเออแผ่ไมตา ทีนี้พอเราทําผงคักฟอกเนี่ยถ้าจะอยู่ในที่ที่ต่อระบายก็ไปอย่างนะแต่ไอของผมเนี่ยโอ้โหผมแคกลําบากใจพอจะไปหาที่เจต้องให้กลัจะไปรบกวนให้ไอเดือนเราก็ต้องไปหาที่เจแล้วก็ให้มันค่อยๆสลายตัวไปไม่ไปทําให้ไอเดือนที่อยู่ในดินหรือไปปลูกมดปูกอะไรเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยนใครทําได้แค่ไหนจะทําได้แค่นั้นแลแต่ยังหวังโอกาสแล้วก็ กำลังเมตตาที่เราทำได้ดเมื่อให้พรแล้วเนี่ยจะมีประเด็นต่อมาที่อ้างถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าทรงคุณไม่มีประมาณพระธรรมทรงคุณไม่มีประมาณพระสงฆ์ทรงคุณไม่มีประมาณไปจนกระทั่งถึงสัตว์เถรือครานทั้งหลายคืองูมแมลงป่องตะขาบตะเข็บตะขาบเอ๊ะตะเข็บเนี่ยอะไร ตะขาบตัวเล็กมัฮะใช่ไหมอ่าตะเก็บก็คือตะขาตัวเล็กตะขาตัวใหญ่อ่าออคงเคยเห็นนะไอ้ตะเข็บอะไรกี้ก็คงไม่ได้คงคงไม่นับอนัไอ้ไอ้ตะขาบตัวเล็กเราเคยเห็นนะตัวเล็กๆเห็นบ่อยๆเรียกตะเข็บ ปูเให้มันแยกกันเล็กๆเหมือนบุหลงกบุรีอ่ะบุหลงมวลใหญ่อย่างที่หลวงปู่แหวนโตบุรีเนวะมวลเล็กสูกเนี่ยนะ่ะจะมี ก, ากลางโกงกับกลางเก่งก็เพียงคำบัญยัติใหม่ให้มันแตกต่างกันที่บอกว่ามีประมาณน้อยล้วนมีมีประมาณ ตรงนี้นะครับคำว่าประมาณหมายถึงนี่เป็นการเมื่อกี้ที่ผมบอกย้อนไปนิดนึงว่าเป็นการตั้งสัจจะว่าพระพุทธธรรมประสงค์นะั้นมีอนุภาพมากไม่มีประมาณอัปประมาณะเนี่ยแปลว่าประมาณไม่ได้ประมาณคุณไม่ได้ประมาณพลังไม่ได้ส่วนสัตว์เล็กสัดน้อยเนี่ยคุณน้อยประมาณได้ นี่เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งเป็นการกล่าวอย่างนี้เนี่ยหนึ่งกับตัวเราเองจะทําให้เราเกิดมีผลในทางพลังความมั่นใจนะฮะพระพุทธพระธรรมพระสงค์อัต ม, มาอาจจะอยู่ในตัวเราเราอาจจะเป็นประสงค์ตัวเองในด้วยแล้วก็พูด <c oughs> ให้เราเกิดความรู้สึกว่าปัตต์เนี่ยไม่ได้เป็นของที่เราจะต้องโหยงตกใจอะไรนักหนา <c oughs> ไปเกรงกลัวอะไรนักหนาเหมือนผี อันนี้เป็นเคล็ดลับอันเลยล่ะจริงๆเลยละผีเนี่ยไอ้เรื่องของคเจ้าเป่าผีเรื่องผู้บีวิชาถ้ายิงเราไปโก้ก้็หัวไประหลอกๆนะผีอีฮอเลยครับต้องวางตัวธรรมดาและต้องทําความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นครูของผีเป็นผู้ที่อยู่เหนือผีสุขติแล้วก็สูงกว่านะต้องสอนผีเป็นเพราจริงๆนะไปอยู่หน้าที่ไหนก็แล้วแต่มีกูกลากก็พูดเหมือนเหมือนผู้ใหญ่ผู้กระเด็ก่ะ ให้อัทานอย่างนี้แล้วให้พูดแบบนี้อยา่าไปเกรงตัวอานาจมันเหมือนอํานาจมันก็เหมือนไอสัตว์ในคตติสัมเนี่ยอย่างช้างเนี่ยมันมีอํานาจในทางกำลังใช่ไหมแต่เราก็ควบคุมมันได้เราไม่เคยไปปราบกลามจ้างอย่างยกย่องนับถือจนเกินเลยอย่างนั้นพวกพนี้เหมือนกันแม้แต่พวกเทวดาที่มีคุณต่ำเราก็ไม่ได้มองเห็นเป็นผู้สูงวิเศษ เพระนั้นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เนี่ยถึงผีกลัวโกสีนเนี่ยและพระพุทธเจ้าถึงเป็นครูทั้งเทวดาทั้งมนุษย์แต่มาถึงเราเข้าบางทีเราไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยยาวผีเรื่องครูนับถือผีอะไรกันเลยเลอะแล้วก็เกิดเรื่องเสียหายตามหลังมาให้เดือดร้อนอย่างที่เห็ น, หนในสังคมปัจจุบันเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไปหญิงกับเขานะเราเราไม่ดูถูกแต่วางตัวอย่างนี้ จะทําให้เราให้เขานี่ยักยัก ร, รู้ตัวเองมากขึ้นว่าเขาเขาแค่ไหนเขาเป็นผลอย่างกันหนะเป็นผลในความรู้สึกเราแล้วก็เป็นผลที่ทําให้สัตว์อื่นเนี่ยเขารู้ว่าเขาแค่ไหนและเราเนี่ยเป็นคนของใครคือของพระพุทธเจ้าจาเนินรอยตามพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสัมมาเจ้า และสุดท้ายประเด็นสุดท้ายนะเมื่อกี้ที่ว่าเป็นสัจจะหรืออ้างสัจาะเราต้องกำเนึิดมังก็จริงและบอกให้คนหนึ่งหนึ่งคนจริ ง, ง, งประเด็นที่ว่าความรักษาอันเรากระทําแล้วความป้องกันอันเรากระทำแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียเรานั้นกระทําการนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอยู่ ทำการนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็ดองค์อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกภาร ก, กิจว่าคล้ายๆว่าเรากําลังทำกิจสาคัญอยู่อย่ามายุ่งเหมือนไล่ไ ล, ลูกไ ห, หลานเนี่ยไล่อะไรก็แล้วแต่ให้บอกเขาออกไปไม่ใช่ว่าออกไปลาคางไปให้พนนะ้นหน้าไม่อย่างนั้นเราคนนี้ลูกเอ้ยอก็กำลังทำธุรกิจสําคัญอยู่นะอย่าเพึ่งนะ ไปนั่งเล่นนู่นก่อนไปเล่นนู่นก่อนไปดูทําอะไรก่อนอย่เงี้ยบอกให้เขารู้เรื่องอย่างนี้พ่อกำลังสวดมนต์นะอย่าลงสิงเจ้าจ้าวนะอย่าพฟังเล่นได้ไหมปิดทีวีเดี๋ยวได้ไหมยเงี้ยเขาก็รู้นะอันนี้ก็เทียบให้ฟังที่ถ้าสัตว์อื่นที่เบียดเบียนอยู่หรือกําลังจะเบียดเบียนอยู่เนี่ยเราบอกปัดเป่าบอกปัดเป่าขับไล่พฤติกรรมที่เบียดเบียนก่อควรเราว่า จงหลีกไปเสีย น, น, นะนะคืออย่าอย่ามารบกวนอย่ามาเบียดเบียนเราเรากำลังนอบน้อมพระพุทธเจ้าคือบูชาพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาอยู่แล้วก็อ้างถึงในนี้อ้างถึงพระพุทธเจ้าถึงเจ็ดพระองค์นะเจ็ดองค์นั้นมีใครบ้างเป็นอดีตพุทธทาถอยจากพระพุทธโกโดมขึ้นไปพระพุทธพระพุทธโกโดมย้อนยุาปายองค์คือพระพุทธกัจจปะพระโคโกนาธรมนะัะ แล้วก็พระ ก, กัปตันถานี่อยู่ในโลกนี้เจีดอและอีกสามองที่เหลือนั้นอยู่โลกอื่นถัดไปคือพระเวสสุภัสสิขีพระวิปษษัสีย้อนตับปรลวงเจ็ดองเหนื่อยกว่าเอาุูธิจ้ามาเบ่งเยอะเกินไปเป็นเจดองแหลหลังนอบนอ้อมภูติจ้าขอนอบ น, อบนอบ้อมพระภิจ้าเป็นเจ็ดองนั่นะ ถ้าใครจะไปดูพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดองค์เป็นยังไงก็ไปดูในมหาประานาสูตรปฏิบดกเล่มสิบนั่นนะมหาประธานสูตรเล่มที่สิบปฏิบดกเล่มที่สิบหน้าไม่ได้จํามาหลายเล่มหน้าไม่เหมือนกันอ่าเล่มสิบพอมีอยู่ไม่กี่สูตรอ่ะก็ไปเปิดดูก็จะเห็นมหาประธานาสูตรเอาแล้วครับวันนี้กองพอต้องควนแค่เวลาจะ in t h e เงินไม่ได้มาขอกินไม่ได้มาขอให้เรียนแต่ความรู้สึกที่ขอให้ตามไม่ต้คุยเรว่าแทนที่จะเรียกให้กินในการแบบว่าเออสั่งข้าวใหกินอั้นขอเอารั่งขอ้เรืองอผมว่าเรียกเขาก็ไม่กินผมเคยเรียกเขาบ่อยไปเรียกไม่กินครับเพราะเขต้องการเงินแล้วเงินอาจจะไปกินอย่าง อ, างอื่นข้าวเขาอาจจะอิ่มแล้วนะ เจอเจอบ่อยทีนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้เราจะคิดว่าเราจะทําแค่ไหนเราจะรู้ถ้าแท้เราอยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้อะไอ้ขอทานเนี่ยบางทีเป็นยังคงอยู่ปากหน้งเจ้ า, าประจำํำอะพอเห็นผมเดินมาแก่คนแก่เรารู้ว่าเป็นใครก็ไม่ได้ขอทานคือเป็นขอทานอาชีพจริงๆเรพูดแบบนั้นกันกันเป็นความจําเป็นที่จะต้องขอนะเรารู้ว่าบางคนเขาเอาไส้ไปป่าตัดมาไม่มีคนเลี้ยงแล้วก็รู้มานั่งอะแล้วบางคนก็เป็นคนแก่คนแถวนั้นที่ไม่มี ทางไปแล้วมานั่งของเวลาเราเดินผานะะั้น่าจะจําหน้าแล้วจะเห็นคนนี้แล้วไม่ผิดไม่ปราดเราก็ให้นานๆครั้งแต่ว่าถ้าไปแล้วย้อนกลับมาเจออีกไม่ให้นะ <c oughs> แล้วก็ตามเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่ทีนี้ถ้าไปเจอไอ้ชนิดที่เขามาขอกินข้าวอ้างมาของเงินกินข้าวบันที่เรามองหน้าปั๊บรู้แล้วมันไม่ได้ของเงินกินข้าวหรอกนะมันของเงินบางคนรู้ว่าของเงินไปกินเหล้าก็อะไร เพราะสารารูปมันบอกบางกลิ่นเล่าหึงบางตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเออเราจะให้หรือไม่ให้เพราะอะไรและจะหวังผลกับเขาแค่ไหนหวังผลว่าอย่างไรเราจะมีเหตุผลบางคนเราก็ไม่ให้เพราะว่าเรารู้ไมบางทีมันเป็นแก๊งเป็นแก๊งเลยอย่างพวกพวกพมงมา่าอย่างงี้ย่ะมานกขัตาตาคล้ายๆโอ๊ะโ อ, อแกะแต่เป็นพมา่าพูดไทยไม่ได้แม่คุมลูกมาเลย ลูกสองคนสามคนที่เวลาไปกินข้าวอย่างนี้นะมาอย่างนี้ไม่สมควรเราคิดเสณานะได้เห็นว่าเราจะเอาผลอย่าง อ, างอื่นว่าไม่ให้มันมีประโยชน์มากกว่านะก็ไม่ให้อ่า น, นี่แล้วแล้วแต่เราครับคือไอ้ตรงนี้เนี่ยบางทีไอ้ไอ้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ก็มันก็จะได้หวังผลในแง่อื่นในแง่ของการควบคุมคนควบคุมพฤติกรรมคนแต่ถ้าเป็นกรณีที่เขาหิวจริงๆ ผมเคยเลี้ยงมาแล้วครับตรงนี้รงมันมีไอร้านกาแฟอยู่ร้านขายมาเก่าแก่กาแฟแบบธรรมดาเนี่ยนะตรงุงอสีแยกประตูน้ำ mm. ผมจะไปที่ไหนพงยำไม่ได้แต่รู้ว่าเขาจะไปบรรยายที่บอตลอดผมก็ไปนั่ง mm. นั่งแล้วจะเห็นตาแก่คนหนึ่งแกก็มานั่งมอง เขากินเนี้ยนะเสร็จแล้วก็ค่อยหลบคอยลุกหลบเวลาลูกค้ามาแกก็อยู่ฟ้องกระลุงกระลังมาแล้วเราก็มองรู้ว่าแกอยากกิ น, นเราก็ไปบอกให้จะกินอะไรละ่ะออกสั่งมาเลยเราจะออกแกก็สั่งสั่งสั่มาแล้วก็มองว่าเอามอมูนก้ามันสกี่ิวกว่าะไรแต่เราให้เงินเป็นเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวคือให้เพื่อให้แกจ่าย เราไม่ได้จ่ายให้เพาเราเแล้วก็เลยหลอกคุยกับแกแกเป็นยังไงมันก็ได้ความรู้ลืมไปแล้วว่าเรื่องเป็นไงได้ความรู้ว่าเออแกยังไงอยู่ที่ไหนเออได้แล้วก็น้าตาเนี่ยก็ไม่ใช่คนคือเป็นคนมีเชื้อจีนเลยจ้ะผมอมๆอย่างนี้ไม่น่าอะไรมาขอทานไม่น่าจะมาอดอย่างนี้แต่ต้องมาอดเนี่ยเพราะว่ามันเรื่องเราไอ้ชีวิตลูกๆจะเตาวแกได้ลูกไีสรุปว่างั้นจํายละเอียไม่ได้หมดละนานละ อย่างนี้เราเลี้ยงเราก็มีความสุขมีความสุขว่าเราได้ช่วยให้เขาอินแต่ถ้ามามาขอให้ซื้อโรตีอย่างวันนี้ก็ก่าหมีแต่ไม่ได้ซื้อดูแล้วเออแับไอ้คนเท่าคนแก่คนมือไอคนพิการเองสิก็ก็ซื้อแต่ก็นันนานๆเจอสิ โดยมากมันก็เด็ซคือไม่เป็นคนไม่ไม่ไม่ต้องการจะมาเอ่อเล่นในตรงนี้นะเส้นการพนันก็เลยถ้าจะเล่นก็เนี่ยเล่นเอาบุญเล่นแทงหวยเอาบุญไม่ได้แทงหวยเอารางวัลเคยมีอยู่ครังไปซื้อคนแก่สามสี่ใบสี่ใบซื้อาแก่คนหนึ่ง เก็ใส่กระเป๋าลืมตรวจตั้งสองเดือนก็เลยไปให้คนตรวจมารู้ถูกกระเป๋าโอ้ใสู่รางวัลที่หนึ่งมาได้เนี่ยใ ห, ให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปตรวจเงียบไปเลยเออสูกก็ยังมาบอกอล้วเดี๋ยวเสียดาย นี่เนะี่ยมันก็มีปัญหาว่ะยังมีอคนเขาก็หนูอยู่ชนเขาเป็นปัสกาลแล้วก็ข้าวัดขาวาเนี่ยนะต้องหนูต้องมแมลงสาบตามอ่อแยกไปหมดเลยก็ทํำยังไงเสื่อไอ้ไอเครื่องเสียงไล่มันก็ไม่ไปเขามีเครื่องเสียงไล่นะไม่รู้เคยจะลองไหอยังไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่ไปเนะไม่ได้ผลเอ อ, เ อ, อผมก็คงจะต้องพูดว่า ถ้าเป็นผมเนี่ยผมยังไงผมก็ไม่มีทางที่จะไยทําให้เขาร่มหมายตายไม่ว่าจะเป็นแมลงตงวแมลงสงรงราบนี้ไม่เอาแต่ใช้วิธีป้องกันวิธีป้องกันก็คือทาอยู่ทายาทําทอะไรให้มั น, ม, นมิดเมทให้ดีนะแต่ถ้าเป็นไอ้พวกปลวกเนี่ยป้องกันง่ายกว่าหนูเที่ยมนะหนูเนี่ป้องกันยากเพราะมันหมาอาเขา้ามาจ น, นได้แหละแต่ยิ่งเป็นบ้านไม้นะหนู แมลงสาบเอไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาเลยแต่ไอ้กองผงก็ไม่ไม่ใช้วิธีป้องกันแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามันจะมีสมัยที่น้ําท่วมอย่างปีน้ําท่วมมากเม่าปีก่อนเนี่ยโอ้โหหนูขึ้นมาหลังโคองหลังคาแทบเลยหมดเลยผมก็นึกว่าเอผมไม่อยู่นานไปหรือไงหนูขึ้นบ้านแทบไปหมดหลังคาคลึกเนี่นยเอเราก็ก็แผลไม่ตามก็ยังไม่ไปเอเข้มาตั้งแี่สงสายน้ําท่วมมา มันไม่มีที่ไปท่วมรูมันทั้งที่มันมีคมีทางเดินอะไรอยู่บ้างแต่ก็คงไม่พอให้มันอยู่รูรูร ม, มันถูกท่วมแล้วก็แผลเมตตาบอกโอยยังงี้เราก็แย่เราแล้วละโง่เว้ยเฮียพอน้ำยุบก็หายเคลี้ยงเลยอ่ะไม่มีเราก็เราก็ใช้เมตตาเนี่ยแต่ว่าอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงจะอาจจะไม่ได้ผลไม่แน่ใจได้ก็ใช้วิธีการป้องกัน ป้องกันอุด ล, ล, ล้อโลอาช่องอะไรเนี่ยนะนี่ถ้าหากวมันอยู่ในบริเวณบริเวณนั้นเราสลายให้มันไม่ได้แต่ถ้าบริเวณผมเนี่ยผมสลายให้มันได้มันมีพอดิมจะอยู่ที่ไหนที่ไหน ก, ก็ก็อยู่ได้นะถ้าบริเวณบ้านเราไม่มากรัศลาให้มันไม่ได้อย่างอย่างพัฒการที่ว่าพัฒการมีซื่ออยู่ในเมืองชนเนี่ยเขาก็ผมก็บอกว่าให้เขาใช้วิธีเอากับดักและจับไปปล่อย จ้างเด็กจ้างอะไรมาจับก็เลยเปิดท่อจับกันเลยแล้วค่อยๆจับจับแล้วไปล่อยกลางทุ่งกลางอะไรนู้นไกลๆอะไรฮะอ๋ะอแต่เราก็ต้องไปหาที่ที่มันอยู่ได้ไงออกไปตามปา่าอะไรจไม่ได้ไปไปต่อยเขาใหญ่ก็ได้ไปต่อยกลางทุ่งอะไรก็ได้มันมีที่ไปของมันแล้วก็บอกว่านี่ยเราเองเมตตาเรามีแค่นี้ถ้ามีเมตตามากกว่านี้และก็เราไล่ไปด้วยเมตานานแล้ว เมตตาเราไม่แรงพอก็มีแค่นี้ไม่ยอมไม่สามารถจะเสียตละบ้านนม่อยดก็ขอใหไปสาต่างกันแลกันนะแล้วแค่ว่าเราไม่อาจจะเราไม่ยอมที่จะฆ่าได้เนี่ยก็คือเมตตาที่เรามีถ้าเป็นบ้านอื่นแล้วก็โดนฆ่าเรียบแล้วก็ไม่เอาไว้หรอกเนี่ยเป็นบุญคุณที่ไม่ควรจะลืมแล้วแค่นี้แหละไปอยู่ที่อื่นก็ลําบากเรื่องหากินหน่อยเท่านั้นแหละ ความจำที่แล้วอาจารย์กันใหตามจะต้องปัญญาต้องปูกัรเพิดจะทาให้การใช้รการให้ตามมันองูไม่ไม่ไม่ไม่้ผลเสียน้อยตัวเราเองนะครับคนซื้อค่ะทีนี้อยากจะสอบถามอ่ไปัญญาแล เออต๋ตตตออกฮะค่ ะ, ะ, ะตรงนี้เนะี่ยเป็นคําถามที่ดีแหละแล้วก็คําตอบมันมีอยู่แต่คําตอบในเยอะทีเดียวนะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แม้เรื่องอื่นๆเรื่องการทานทานอะไรต่างๆแต่ผมอยากจะพูดสักตอนนี้ก่อนว่าการทําความดีไม่ใช่เฉพาะเมต่ตาความดีนี่ต้องมีองค์ประกอบมากที่งองค์ประกอบคือคุณสมศลดำเนี่ยมันมีเยอะมากอย่างหลายความดีนั้นสมบูรณ์มากนะ ทีนี้ไอเราเองเนี่ยเป็นคนไม่สมบูรณ์รอดอะไรเพราะความดีเรามีองค์ประกอบน้อยการให้ทานเนี่ยก็มีผลเสียตามมาเยอะเห็นนะการชมคนก็ยังมีผลเสียตามมาเยอะความใจดีของเรามีผลเสียตามมาเยอะไงนีนะเราก็มาตรวจเนี่ยตรวจได้เราเพราะอะไรนี่ถ้าเราเป็นคนฝึกธรรมะปฏิบัติแล้วก็เรองก็มาคอยดูว่าเออาวาอะไรเราก็มาคอยแก้คอยอุดตรงนั้นตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้า พูดถึงว่ากรณีของการแผ่เมตตายังถ้าตอบแบบกําปั้นทวดยงคืออย่างการที่เรามาเรียนเนี่ยเรียนรู้ว่าเมตตาควรจะทําอย่างไรถ้ามันพูดทีเดียวหมดก็ไม่ต้องมาบรรยายฮะยาวยืดขนาดนี้นะเรื่อยที่ว่ามันต้องค่อยพูดไปเป็นทีละจุดทีละจุดทีละเรื่องอย่างเช่นอการวางตัวนิวาณเนี่ยนะใัหน้าก็ะมุมหนึ่งแล้วก็การที่เราเข้าใจเรื่องการวางตัวก็เป็นปัญญาอันหนึ่ง ที่มาประกอบเมตตานะฮะเข้าใจความต้องการของเราเข้าใจถึงความต้องการของคนอื่นแล้วก็มองคุณมองโทษที่มันจะเกิดขึ้นหลายหลายและอย่างเนี่ยนะที่ถึงใช้คําว่าอาที่ผมกําลังนึกอยู่ฮะแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้อธิบายเรื่องนี้เมื่อไหรนะ่ะตั้งหัวเรื่องไว้แล้วเรื่องอาการให้อย่างแยกคายนะ สิ่งจะเป็นการพูดถึงานาในแง่จิตวิยาวิยาทางลรรมะเนี่ยนะะให้อย่างแยบคายซึ่งปรากฏว่าไอ้ตรงนี้มันไปไปได้เห็นประเด็นในในขณะปฏิบัติธรรมตอนนั้นมันมีอะไรมันก็ต้องไไมาว่าให้ไ อ, ไ อ, ไอ้ที่เราให้เนี่ยทําไมมันถึงไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องโทษเรื่องเลวร้วายเได้ามาได้แสดงว่ามันขาดความการให้ไม่ใช่ของง่ายเลยเป็นของยาก ั้งทีการให้เนี่ยเป็นความดีแต่เราทําความดีอย่างเอกเทศเนี่ยมันเกิดท่องโหว่อย่างอางื่นอ่ะคือทําดีแล้วำปรี๋รลามนะไม่รัดกุมไอ้ความแยบคายเนี่ยมันมีประเด็นเยอะแล้วก็ผมมีข้อมูลอยู่ม า, มากมากพอที่จะพูดกันได้หลายครั้งถ้าเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติอันที่มีการให้ก็เป็นเนืตาอายกรรมอันหนึ่ง น, นะกอ <c oughs> <c oughs> งจะพอตสงควรกัเวลา ขอหยุดติการเมยายครั้งนี้แล้วเราจะไปพบกันอีกครั <y> <st> uh ้งหนึ่งวันการแรกของเดือนพฤิกาคมต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนะเดือนพฤิกาคมนะพฤศจิกายนครับครับก็หยุดไปเดือนนึงครับครับก็คงจะพูดเรื่องเมตตาไปนี่แหละแต่ว่าจะคราวนี้คงจะเรียงเรื่องเป็นประเด็นในเชิงทฤษฎีของเมตตาทั้งหมด ว่าเราจะทํำยังไงไอ้ประเด็นว่าแผลเมตตาก่อนทำสมาธิแผลเมตตาหลังทําสมาธิอะไรเงี้ยนะก็เป็นประเด็นต่างๆต่างนะจะทํายังไงอในแง่ต่างๆ่างจะได้เป็นข้อสรุปแบบเอาไปใช้ได้ขอปิดประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ครับ